จากนี้ไปเป็น 14 สิงหาคม 2535ณพุทธสถาน ธรรมะตอนดีเนี่ย วิภวตัณหาลงกัน เพราะว่าศาสนาทุกๆศาสนานี่ส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักภวะตัณหามีตัณหาที่มี ปรินิพพานไม่มีน่ะนิพพานไม่มีเพราะว่าจิตอยู่ๆเอ่อศาสนาอื่นก็มี เออขี้เกียจไปเลยแต่ได้เสพ โลกไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นไปเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ นั่นนี่จุดตรงสุดของศาสนาทางนะ ที่ดับสนิทไม่ทํางานอะไรแล้วก็ ไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรเลยกับโลกมีประโยชน์คุณค่าอะไรเลยกับๆ เพราะเป็นตัวขยันนะตัณหาที่ยังมีคุณค่าเป็นตัวขยันนะ สิ่งที่ดีเป็นความปรารถนาที่ เป็นชาติอันวิเศษชาติอันวิเศษเป็นชาติอันที่เป็นสวรรค์วิมานใหญ่ โยยายตรงที่ว่ามันเป็นภพใหญ่ และตัวเราเองนี่เป็นอันหนึ่งอัน ไม่มีตัวเราหรอกแต่มีตัว อ่าฤๅศาสนาพระเจ้าที่ ศาสนาคริสต์ไม่เฝ้านั่งหลับตาไม่เคย เกิดสิงอีกอันนึงจึงฟันเป็นพบเป็น มันมีตัวตนชนิดที่ไม่เหลืออะไรเลยเป็นสมาธิจิตนั่ง ลักษณะของศาสนาของทางด้านฤาษี ศาสนา 2 อย่างนี้กลาย น่ะไม่ต้องเอาภาระอะไร ถ้าเอาอย่างฤาษีนี่ไปอดตาย เพราะฉะนั้นศาสนาทางด้านตะวันตกต้องขยันต้องขยันต้อง แดดมีน้ำมีลมมีอะไรอะไรต่าง ส่วนพวกเมื่อผู้ใดที่มีสิ่งแวดล้อมอย่าง ก็ขยันหมั่นเพียรโอ้โหอุดมสมบูรณ์ใหญ่นะศาสนาพุทธ มันก็ต้องรู้ด้วยว่ามันไม่ได้หายไปไหนแต่ถ้าว่า ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นก็ๆน่ะจนกระทั่ง นะรถของสภาพปั่นเอาในจิตเราไม่ๆน่ะมันก็ปั่นอยู่ ปฏิบัติแล้วๆว่าเออเราจะหลงอย่าอย่าไป ปัญญาที่เป็นกําลังเป็นปัญญินทรีย์เป็นอํานาจของการรู้เป็นฤทธิ์ พอแยกมันไม่มันนึกว่ามันไม่มีแล้วเนี่ยมันโง่มันโอ้เออน่ะอ่านออกจริงๆเนี่ยอ่านพอเห็นแล้ว ที่ๆแล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรม ศาสนาพุทธนี่บรรยายลงในนี้ได้ขยายความต่อเนื่องกันได้เลยว่าปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติจะเอาหลักทฤษฎีโพชฌงค์ 7 ทฤษฎีมรรคองค์แค่อะไรก็แล้วแต่มาอธิบายมันก็จะทั้งนั้น อ่ะไฮเกอร์สภาพที่เป็นจริงเออผีมีจริงก็ๆเถอะผีมันมีจริงๆ ปัญญาหรือว่าปฏิภาณว่าทิทิฐิความเข้าใจมีหลักทฤษฎี มันยังเชื่อว่ามีนั่นน่ะเพราะว่ากลัวๆมันกลัวอยู่จริงๆเลยนั่นไปถึงขั้นอินทรีย์ไปถึงขั้น ชัดเจนด้วยและจิตก็เป็นได้จริงเชื่อก็เชื่อชัดด้วยประกอบกันเป็น 2 จิตเฉยมันมั่นใจมันเชื่อแน่แน่ๆเลยเรามาเชื่อเรามาจนเนี่ยๆเกื้อ เอ่อช่วยเหลือเฟื้อฟายกันต่าง เพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันก็ก็เห็นแล้วว่าไอ้คนนี้ ก็เคารพนับถือบูชาเชิดชูจริงเออคนนี้ที่เชื่อมันก็อยู่ แล้วจิตใจที่มันสั่งสมความเป็นเป็นจริงๆ แต่พวกและคน มันก็ยิ่งมีองค์ประกอบที่เออ เออคนไม่มีเงินเลยร่วมกันอยู่ยิ่งมีร่วมกันอยู่แล้วก็ เป็นอะไรตะไรซับซ้อนไปเป็นอุปกิเลสอีกอ่าไม่มีเป็นของตัวมัน ใครจะอะไรไปบ้างช่วยสั่งสอนถ้ายิ่งเค้าเคารพนับถือ น่ะด่าได้มากดุได้มากเค้าก็ยอมมีๆ คนยิ่งนอกเอาแต่หลับตาหลับตาหลับตานั่น ก็สร้างได้สร้างได้สร้างเก่งมีสติอยู่ข้างนั่งประเภทมี อัตตามีอยู่อันอะไรฮะเอ่อรูปัพพยอัตตาอรูปัพพยอัตตาแล้วก็มโนมยอัตตา ข้างในที่ไม่มีอะไรเลยไม่ๆนานาที่เค้าเล่นกัน สติข้างในพบสูงนะข้างในพบสูงนะสติ 4 สติๆ มีการสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็ ความแววไวเข้าคร่องมีมาก อนุรักษณาประทานอะไรเนี่ยไม่มีไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกเค้า หรือไม่มีสมประทานสี่ไม่มีสมัปปธาน 4 อ่าไม่มีการ สังสันๆๆๆยังไงก็วิจัยได้ชัดๆๆขึ้นจึงไม่ ในสภาพที่เราจะต้องมีต้องเป็นศัพธ์ที่เราจะต้องมีต้องเป็นไม่เช่นเล็กๆน้อย นายทุนที่จะสร้างธุรกิจอะไรต่อใดมันก็ไม่งอกไปๆสร้างมากๆ เดละความโลภเดละความเห็น 7 ตัวเดละความตระหนี่ถีเหนียวกล้าสละมั้ยล่ะ ละยิ่งพิสูจน์ยิ่งละยิ่งสละยิ่งให้ มีบารมีเหนือกับคนทั้งปวงสามารถที่จะกอบ ยิ่งมีและยิ่งไม่มียิ่งไม่มีก็ยิ่งมีโอ้เวรยิน 4 ภาค แต่ไม่ใช่ศาสดาไม่ใช่ศาสนาเรา เสร็จแล้วเรายังมีสติ 4 4 มันก็ย้อนกษัตริย์ทางทางสัตบุรุษชนทางๆมันก็เป็น แล้วเราก็ไม่ไม่ได้หวงเป็นเราเราก็แจกๆอ่านจิตที่ ที่เราสร้างสรรค์ในๆนั้นนี่ยิ่งๆแล้วๆนี่หรือๆมันต้องๆมั้ยสละหมด เออก็เราไม่ๆๆๆ น่ะเป็นกุศลกรรมจะเป็นคนร่ำรวยๆนานาพวก มันจะมันนั่งเป็นปัจจัตตสารเป็นๆจะเสร็จแล้วเราก็ คนเรานี่ได้สึกซือมาหรือว่าได้ คงจะทําอาชีพงานใหม่เพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่ พอมาชาตินี้ๆอ่าเป็นนักเกษตรกรเป็นนักวิศวะเป็นนักสร้าง ทํางานอื่นมันยังไม่เป็นนี่ยังไม่เก่งแต่ก่อน บางมันจะต้องมาลดมาละยากมันจะต้องมาเปลี่ยนมันจะต้องมาลดมละยากคน มันเห็นเค้าทําแล้วอาตมาก็เองรับอยู่นะงานเหล่านั้นเรานั่งว่าเอ้าช่วยกันหน่อย จะมีความนิยมชมก็ๆบ่อยๆมันก็มันก็มัน ทำไปมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เบลเกียดมันก็ขี้เกียจมันก็ไม่ทําเอ๊ะเอ็งไม่อยากทําทําไมก็เขา เห็นตัวเองนี่อุตสาหะทํามันก็ทําลายแก้ๆๆๆจริงๆๆ อเมฆาบริยะอุคคสีตาโกสัจจะขี้เกียจมันก็ค่อยขนร่วงไปหน่อยก็ ไม่ใช่มานั่งแล้วเดี๋ยวก็เอาไปได้ธรรมะพระพุทธเจ้าได้ธรรมะดีๆเอาไปอธิบายโก้เก๋ได้รับความนิยมชมชื่น <c oughs> ชาวลำตานแอนหมดน่ะชีวรท่านพวกนี้น่ะได้เป็นครูได้เป็นอาจารย์ได้เป็นเอ่อ ต้องปฏิบัติให้ตัวเองรู้แล้วก็เข้าใจๆเค้าก็จะ ที่เขาจะนะโอ้โหสะดวกสะดวกก็เอาความเข้าใจเอาตัวเฉลียวฉลาดคนนี้ มีความเชื่อดีนี่นะเออเชื่ออธิบายไปหน่อยนึงมีปัญญามีอะไรเข้าใจเนี่ยเชื่อ ไม่ฝ่ายจะสอนติดภพจิตชาติไม่เคยสอนก็เพราะว่าปัญญา มันได้แค่หัวใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็ เปรตธรรมว่าถึงก็คือแสดงธรรมสอนพูดเพราะพูดด้วยความแน่ นะรู้มากก็ได้จะรู้ๆแต่ ออกไปทํางานเป็นสมาคมมันตะสมาอาชีวะอะไรช้าน่ะช้าก็ นะมีๆๆได้ มันก็จะเกิดผลปฏิบัติมีศีมี เพราะฉะนั้นพูดนี้ก็จะกล่าวแสดงธรรมยิ่งกล้าเข้า อ่าที่ปฏิบัติอย่างนั้นๆมันก็เกิด มรรคเป็นสมาทินีเพราะว่ามันได้ปฏิบัติหมด ไม่มาได้ฝกัดจริงในแข่วครงจริงเกิดบทบาทปฏิบัติจริงบตกะวิตกะก็ยิ่งพิสูจน์อัปณนาพยนาเจตโพิินิโรปนาพิสูจน์ความมั่นคองความไม่หววันไว้พิสูจน์ีติถีเตพิสูจน์ความแข็งแรงพิสูจน์ตกะวิตกะก็ยิ่งรู้เท่าท่ายึ่งเว็คิดเด็นึกเด็บปลุงได้มีเหตุพิพจน์มีการตรายการตรองมีการตรริการตรึกตกะวิตกะน ในเรื่องๆๆๆมันๆเลยไม่ใช่ๆมีเหตุปัจจัยจริงๆเลยๆ มาให้เราได้เป็นองค์ประกอบๆได้ บทปากแก้ๆมันได้มีกรรมกิริยาหมดสังคปะวาจากรรมมันตะทุก เรียนรู้กันทางใจมันได้ๆเป็นสติที่รู้เท่าเร การวิจัยเวทนาเวทนาในเวทนาได้แคล่วคล่อง อินทรีย์เค้าก็สมาธิ 6ๆๆๆ เพราะสมาธิยิ่งสงบนี้จึงเป็นสมาธิที่แววไวเลย มันจะไปนั่งคิดเอาวกๆมันน่าโกรธจริง อย่าโกรธนี่ไม่ใช่อ่าไม่เกิดสภาพที่ซับฮะ อิจฉามีริษยามีตรณีมีอิจฉามีปะมีอ่ามรรคปลาสาอิจฉามัจฉริยะไม่มีการเออมันจะดีแข่ง เพราะไม่ตนนี้อัตตาหรอกเออช่างเถอะเขาจะลบหลู่เราเขาจะดูๆไม่เป็นมานะ กระจ่างจะเร็วยังไงก็จับ สัมมาเข้าๆเนี่ยนานาพวกนี้ที่อาตมาเอา ขณะอาตมาเองยังจําไม่ค่อยจะ ตัวธาตุๆมันประสมอย่างนี้นะอันนี้มัน อ่านไว้มีมุทธุปุตตธาตุเป็นฌานฌานลืมตาฌานๆแล้ว บางได้พอเนี่ยเราก็จะแก้ไขดับจะเกิดความเฉลียวฉลาดรู้เท่าฐานะเออ อภัยน้องก็รู้ว่ามันน้องมันยังอ่อนแอ จะไปบอกผู้ใหญ่บอกพี่คนโตต่อ 5ๆฝึก ปฏิปัณณสูตรนี่สูตรปฏิบัตินะปฏิปัณณะนี่แปลว่าการเข้าๆอ่า นะถึงขั้นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ต้อง แต่จริงๆแล้วสุดท้ายที่อาตมาเคยพูดว่าพระโพธิพุทธจะเป็นอรหันต์แท้ มันไวจริงๆเลยนะไวจริงๆจริงๆเลยนะโอ้ดูแป๊บๆ ยิ่งเรามาเห็นธรรมะและยิ่งอยู่มาอยู่สบายๆแล้วมัน อินทรีย์และพละอาตมาๆจะบอกแล้วสติปัฏฐาน 4 ก็อธิบาย องค์ประชุมของกิเลสกับจิตเนี่ยขณะโลกีสม สุขเพราะว่าสงบระงับกิเลสได้เป็นวุปปสโมสุข น้าเพราะฉะนั้นเรามีทุกข์ ได้ลงๆเห็นๆทุกข์มันๆคุณรู้แจ้งเห็นแจ้ง กละนิพพานนั่นแหละแล้วก็ละอุปทานขันธ์ 5 6 6 5 มีแต่รู้แต่มโนรู้แต่พบมีแต่อายตนะสมบูรณ์ธรรมในธรรม ในหมวดทําในทําก็ทั้งนอกทั้งในทั้งนอกทั้งจริงๆอ่ามันจะ ผลอินทรีย์ 5ๆเลยเราสัทธาพละๆคือความเฉลียวฉลาดของปัญญาความเฉลียว เพราะว่าเป็นตัวที่ชัดเจนว่ามันเห็น เป็นคนมีกระจิตกระใจเป็นคนมีความเอาใจใส่อ่าเป็นคนมีไม่ใช่คน เอาใจใสมีสมาธิมีการตั้งใจจิตตะนี่มีการตั้งใจมีน้ำใจ เพราะคนที่มีอิทธิบาทเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นคนมีจิตใจ อาตมาพูดไปอ่าๆจริงๆ แม้มันจะโตไปทางมหายานน่ะเป็นคนที่เอา มันยังได้รอบตัวได้กุศลอย่างน้อยก็ได้นานก่อน กฎโองององอกว่าจะเข็นกว่าจะไถกว่าจะเคลื่อนกว่าจะพัฒนาขึ้นมา พบเป็นชาติเป็นอย่างนั้นน่ะอ่าช้านานน่ะไปเยอะน่ะไป จีนเมืองอินเดียเค้ามันก็อยู่เท่าไหร่ๆพวกนี้อินเดียจึงรักบ้านนะเพราะมันติดมันๆ โดยสภาวะอ่าที่จะให้เห็นความแก้ให้ อ่านออกตั้งแต่โสดาเลยถ้าปฏิบัติถูกต้องตามลําดับเป็นลําดับที่จริง <End. S 1> นะแล้วมันทับซ้อนน่ะมันมีอัตตามานะเชิงชั้นอ่าเชิงชั้นเล่เล่ๆๆนะฉันทําแต่ เพิ่งจะได้เข้าใจค่าผิดว่าข้า แล้วก็เลี้ยงอัตตามันสดิษฐ์ๆด้วยนะยิ่งกว่านี้ไอ้อาตมานึกไม่ออก แล้วมันก็พอใจนะแค่นี้มันก็เอามายามายาในอุปกิเลส ชั้นมันไส้คนมันอวดชั้นก็ขยันอวดขยันไม่ไม่ปิดบังขยันเปิดเผยขยันอวดๆ ทำน้อยก็คุยมากน้อยก็คุยมากทำน้อยก็โอ่มากสาเถยสาทัยยะน่ะทำเองๆน่ะน่ะ แต่มันก็ก็ก็เอาก็ให้มันรู้มันมันเข้าใจค่อยๆจับ ตัวมัมบี้มาออเราเป็นอย่างนี้เองเวลาๆไปจนกระทั่งละเอียดละออแล้ว ก็ได้อ่าแล้วไม่รู้ตัวหรอกมันติดเป็นจริตเป็นนิสัยมันก็ ในการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมนั้นน่ะบทปฏิบัติก็บอกแล้วว่าสติปัฏฐาน ต้องเพียรต้องเข็นๆมันจึงจะสร้าง มรรค 7 นะคุณฟังไปนี่เป็นทิฏฐิเป็นสมาธิทิฏฐิฟังเข้าใจ อันนี้มันน้อยมันขาดก็พยายามเติมสติ ต้องพยายามต้องมี รู้เท่าทันลาภยศสรรเสริญโลเกียสุขรู้เท่าทันราคะโทสะ นี่เป็นอโมหะเออได้แล้วแก้บ่ได้พอสมควรแล้วแต่แม้มันก็ยัง ถ้าแปลง่ายๆเป็นภาษาไทยว่าเฉยว่าหดหู่ ฟังก์ชันเท่านั้นซึ่งลักษณะของมันก็คือว่าเรายังตรวบรวมมันมันยังนี่หดโหโห พองสาดไปว่าไอ้นี่ไม่ใช่มหคตอมหคตะๆรู้ๆพอเอออันนี้ดีเออดีละดีจิต จิตดีละชักดีละมันจะประมาทนะพวกเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยอาจจะ ทายิกาเค้าบริกรบริการเยอะๆพอเราจะต้องขน สังขิตตวิกิตานี่เป็นจิตที่ได้แค่นี้มันก็ยังอึดอัดอัดมันก็ยัง พอเพียงเนี่ยนะคือมันแฝงคนอื่นได้เป็นหนี้คนอื่นทําเรา อยู่จุดอยู่เป็นอันขาดนะต้องพยายามเพิ่มเติมขึ้นอย่าชะลออย่าๆแล้วๆเนิ่นอย เราก็ๆจึงจะต้องเติมให้สร้างสมาหิตะสร้างสมาธิ ก็แช่อยู่ตรงนั้นแหละเพราะเราจะเจริญมากกว่านี้ได้ ใช้ความสำนึกใช้ความอิสระเสรีภาพของแต่ละคนทั้งวง ใครไม่เหน็ดไม่เหนื่อยใครไม่เบื่อ สังวัฏฏะกลับหมายความว่าวัฏฏะที่ อยู่อย่างกั้นอยู่อย่างพบ เอ่อสังสังสมวิวัฏฏกะนี่ไปอีกเยอะเป็นวัตตะ เรเรเราจะต่อสังสารวัฏนี้ด้วยด้วยความเข้าใจเองแล้ว ท่านตนเองอยู่เหนือสังสารวัฏให้ได้แล้วคุณอยากจะต่อสังสารวัฏไป มันก็วนเวียอยู่ในสังสารวัฏไปอย่างนั้นอีกแหละ ได้แล้วคุณอยากจะๆให้มีหลักประกันอย่างนี้ให้ มาสร้างอินทรีย์ 5 พระ 5 นี่ต่อไปเพราะฉะนั้นวิริยะก็จะ อ่าเป็นตัวของบุญตนตัวตนไม่มีอะไรเป็นบาปบุญเป็นตัวบุญมีแต่เอาเวลา เอาปฏิบัติธรรมกันเราๆเลยนะ ลาภยศได้มามันไม่จริงโลกียสุขได้มาก็ๆหรอกๆเลยเพราะว่า แต่ก่อนมันนี้มีดูเหมือนมันมีแต่ๆความๆ เมื่อคนๆสูบบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่นี่เราก็ไปไม่ได้อร่อยอะไรๆน่ะเหมือน พวกอ้วกมันไม่มีไหมกับ 2 คน 2 ไปไปไปไป แต่บางคนไปสูบติดไปๆๆนะ ยิ่งเอาว่ายิ่งๆแล้วเอาชุ๋นๆมาสูบอ่ะนะโอ๊ยยิ่งชุ๋นยิ่งหัวตี่ดินเลย กรรมน่ะเป็นจริงที่จริงมันก็ไม่จริงหรอกกรรม วิบากกรรมก็อ่ะวิบากกรรมมันไม่ศูนย์แล้วปรินิพพานศูนย์ตายศูนย์ไปไม่ วิบากก็ไม่บังมันก็ไม่ไม่เนี่ยสลายเป็นอนุปาฏิเสสนิพพานแล้ว มันมีขันธ์ 5 มันมีอัตตาตามแต่เจ้าจะมี สิ่งของๆนี่คุณไปสะสมจะสะสมลาภยศสรรเสริญสะสมโลกียสุขสะสม กุศลวิบากเนี่ยมันจะเสริมเอาง่ายซะด้วยแต่ไอ้อกุศลวิบาก เราไปหลงผิดกันได้เยอะแยะเลยหลงผิดว่า เรื่องเหล่านี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่าเล่นๆไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้าเอามากุเรื่อง แม่มันน่าจะสํานึกมันน่าจะยากที่จะยาก กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสุจริตนี้ด้วยมันก็มีกิเลสนั่นแหละ โลภโมโทสันหนักหนาจะจะทําทุจริตถึงฝ่านั้นน่ะ ถ้าไม่เลือกราในพุทธจริตกรรมอย่างนั้นซะออกไปคุณ จับมาดูหน้ากันหน่อยนะพยายามจับกันเรื่องตื้นๆแม้มันไม่ใช่เรื่องลึกๆซึ้ง ไม่ได้มาสอนให้ร่ำให้รวยให้กอบให้โกย ท้ายขึ้นๆถ้าจะปฏิบัติธรรมต่อไปจะต้องสังวรระวังพิจารณาให้ดี ทางธรรมนี่มันจะบากขนาดไหนอ่ะแล้ว พระองค์หันยิ้มใจท่านไม่อาฆาตมาด ขโมยของที่ใจคนใจซื่อมาอีกต่อนึงมันก็ ถ้าเค้ามีความหวงแหนนะแม้จะเป็นของบริสุทธิ์ มันไม่รู้จะคํานวณยังไงไม่รู้ อ่ากรรมนี่แหละมันจะต่อเชื่อๆคุณจะได้ซื้อทางไป มันเบ่งนี้ไปไปสวรรค์ไปนิพพานมันมีทางไหน ของตนมันนั้นมันถึงจะได้จะไปเอาอนาถบาดใหญ่อะไรมาซื้อก็ไม่ได้เอา บุญกุศลจะได้น้อยกว่าโอ้ราคามันนะฟังๆนะราคานะๆนะค่า คุณมีเงินมีทองเป็นล้านบางทีก็เอาเงินเอาทองนะหนี้ทางจิตปัญญานี่ มันยิ่งไม่ได้บุญอะไรได้อาวรเห็นเป็นกุศล แต่ไม่มีเงินไม่มีช่องคุณนะแต่ไม่รู้ อะไรที่มันมีคุณนี้ราคาแพงจริงๆนะเพราะฉะนั้นราคาต้นๆเป็นเงิน แสนเงินไม่ใช่เงินแสนเงินหมื่นเงินพันเท่านั้นเนี่ยจริงๆๆล้าน ยิ่งมนุษย์โอ้โหข้ามันมีทวีคูณตั้งเท่าไหร่ แต่มันก็ได้แนะให้ฟังแล้วว่าอือ ละได้แล้วจะไปดูจะไปทํายังไงแล้วให้กิเลสมันเป็น เพราะเราก็เอ้าอ่า ช่วยกันทําข้าวก็ช่วยกันทําดินดานอะไร ก็ไปแสดงน้ําใจว่าโอ้ไอ้หนวดไอ้นี่มันมีอะไรก็ช่วยนี่ช่วยหน่อยนะ ทัพทวีมีๆอะไร คุณเห็นได้จริงคุณก็ทำเนี่ยมันจะเร็วตรงไหนเลิกไอ้ ตามทุนของเราตามภูมิบุญบารมีของ และกอบก่อไปทุก กายก็ดีวจีก็ดีอัน บุญยากบุญยากบาปออกก็หยุดสิไอ้บาปมัน ก็จะตายอายุแต่โอ้ตายไอ้ขันธ์ 5 นี่มันพาเรามีแต่ นี่ก็เรื่องเกิดมาโง่ใหญ่เลยมัน ทั้งกิเลสก็ละได้กรรมเราก็ทําอันเป็นกัมปุศลเป็นเจริญ นี่ก็ย้ำก่อน 12ๆนานาบรรยายแจกแจงให้เราเห็น ให้เราเองเนี่ยเป็นผู้ขาดทุนโอ้สวยโง่ก็ให้เออได้เพชร ได้สิ่งวิเศษสิ่งๆ ชีวิตของมนุษย์ทวนกระแสๆเถอะมนุษย์ทวน ชีวิตจะมีค่าก็อยู่ที่นอนกินนั่งไม่มีผลผลิตไม่มีผลของการงาน ไม่ทําการงานอะไรเลยมนุษย์คนนั้นก็ แต่เราก็นั่นคือกับสิ่งแรกเปลี่ยนกลับคืน ค่าเราจึงจะเป็นคนมีคุณค่าจึงจะได้ผลิตอยู่เราจึงจะเป็นเขาเข้าใจผิดว่า เมื่อผู้ใดสร้างอะไรขึ้นมาแล้ว เขาเป็นเจ้าหรือเขาเป็นลูกนิ่งมนุษย์ ที่แต่เราเป็นคนเกิดมาเพื่อมีคุณค่ามาสร้างคุณสร้างค่าชาตินึงชาตินึงนอนสนุก และคุณจะต้องการอะไรอีกคุณจะต้องการอะไรอีกชีวิตเดินทาง จึงจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่ประเสริฐ จนปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ดีเพียงพอให้เจริญแก่ทางธรรมแก่จิตใจก็ สู่จุดเป็นผู้เสียสละสุดพระหุชนะสุขายะไม่เหลือ พระเราไม่พักตรัสไว้ว่าเราไม่พักก็คือไม่พักเราไม่เพียรเราข้าม แต่เราจุด อนุสัยจิตเช่นนั้นก็คือจิตที่ได้ละล้างเป็น แลเป็นเป็นผู้ที่ไม่เอาแต่พักที่จะรู้ว่าละสมควรพักเกาะพักๆแล้ว เพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องกับโลกว่าวินัยใดวินัยนั้นวินัยใดวินัยนั้น ผู้มีฐานจิตที่สะอาดบริสุทธิ์อาศัย และจําใสอยู่อารมณ์ตน